ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผูกฟังทั้งหลายแต่รลวพระพธิยาณกำลังนำเสนอคำว่าพรหมจรรย์คือกรอบของพรหมจรรย์ที่ท่านได้แสดงเอาไว้ก็มีอยู่สิบระดับด้วยกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วที่จริงก็คือการละบาปบาเพ็ญบุญ น, นั่นเอง เพียงแต่ว่าจะเน้นไปในด้านของการบรับเป็นบุญคือเพิ่มพูนบุญกุศลขึ้นไปในจิตใจบุญกุศลเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ลดละบาปก็ทำนองคล้ายๆกับเปิดแอร์คอนดิชันขึ้นมาตัวความเย็นที่เกิดขึ้นจากเครื่องแอร์มันจะทำหน้าที่กระจากความร้อนให้ด้วยในตัว วันในจังหวัดใดที่ความเย็นได้แผ่คลุมไปตลอดทั้งพื้นที่ความร้อนก็ปรากฏไม่ได้ธรรมะปฏิบัติเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะนันเราจึงพบแนวภาวนาคือแนวเจริญกุศล น, นี่จะมากกว่าอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นกฎแบบธรรมชาติทำนองคล้ายๆกับรับประทานอาหารรับประทานยาการอาบน้า การอ่านหนังสืออะไรแต่ไรเนี่ยคือเราทําในส่วนเหตุแล้วผลนั้นเหตุจะเป็นคนทําให้ก็พูดโดยสรุปประการทำความดีเป็นเรื่องของคนแต่การให้ผลเป็นเรื่องของความดีการปลูกต้นไม้เป็นเรื่องของคนการให้ผลเป็นเรื่องของต้นไม้การกินข้าวเป็นเรื่องของคนแต่ความอิ่มนั้นก็เป็นเรื่องของข้าว คือปริมาณของข้าวที่เรากินเข้าไปก็บอนก่อนได้มาพูดถึงองค์อุโบสถในข้อต่อไปเนี่ยมันมีความประณีตยิ่งขึ้นมันมีความเป็นพรหมจรรย์ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นจะเรียกว่าเมถุนวิรัตคือการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยหลักการปฏิบัติแล้วจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ แล้วในช่วงนี้เองก็จะมีความประณิตขึ้นไปโดยลําดับถึงสังเกตว่ามันพัฒนาขึ้นไปจากศีลข้อการเม้นั่นเองคือการเมเอาก็งดเป็นเฉพาะที่เป็นคู่ครองของบุคคลอื่นพอมาถึงอภรรยาเข้าแม้แต่คู่ครอ ง, องของคนอของของตัวเองก็เกี่ยวข้องไม่ได้แต่ถ้าเป็นคารวาตยังจับต้องกันได้ หรือไม่ใช่จับต้องในทางเพศนะฮะตัวเนื้อต้องตัวธรรมดาแต่พอมาถึงเมธุนวิรัตเนี่ยคืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์และการเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นการจับมือถือแขนการอยู่ด้วยไปด้วยนั่งด้วยมันจะถอยห่างขึ้นไปโดยลำดับคือไม่จะทำไม่ไม่พยายามทำตนให้ไปเสี่ยงคือไปใกล้ชิด กับอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการมารครคาการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็ทวนกระแสกิเลสแล้วก็นานนะก็ขึ้นอยู่กับการอธิฐานใจของท่านทีนี้บางคนเนี่ยถือแบบพรหมจันย์เลยคือตลอดชีวิตจะไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศซึ่งหมายความว่าจิตใจของท่านก็ต้องสงบ จากกิเลสประเภทการมาราคาลงไปมากบางครั้งบางคราวเจอสภาพบรรยากาศแวดล้อมการด้วยยวนจากฝ่ายตรงกันข้ามก็สามารถใช้สติปัญญาใช้ความอดกลั้นอดทนใช้ความเพียรพยายามหยุดกระแสกิเลสเหล่านั้นเอาไว้มันเราจะเห็นว่าคนในรักษาศีลในลักษณะนี้ มันก็เจอการเบียดเบียนคุกคามจากเพศตรงข้ามอยู่ตลอดจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามนะฮะก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติอาจจะเป็นการทดลองหรือเป็นเรื่องของพวกไม่หวังดีบางครั้งบางคราวแม้แต่เป็นพระหันแล้วเนี่ยก็ ย, ยังมีพวกที่ทุจริตคิดไม่ชอบไปประทุษรลายท่านในทางเพศก็มี สีในแนวนี้จึงถือว่าเป็นศีลพรหมจรรย์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นะนะครับหมายความว่าข้ออื่นมันก็เป็นพรหมจรรย์นั่นแหละแต่ว่าข้อนี้จะลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นข้อต่อไปนั้นก็คือการการใช้ความเพียรที่ประกอบไปองค์สี่เรา อ, อา จ, จะเจอในที่อื่นว่าสัมมาวยามะบ้างเรออา จ, จะเรียกวิวริยะบ้าง หรืออาจจะเรียกว่าความพยายามบ้างหรืออาจจะเรียกว่าการประรบ ค, ความเพียรบ้างนะฮะก็แล้วแต่ จ, จะเรียนแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเป็นการใช้สติสมัญ ญ, ญาะระลึกรู้ถึงสิ่งที่เป็นโทษแม้จะยังไม่เกิดขึ้นก็พยายามป้องกันเอาไว้แม้เกิดขึ้นเรียนว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นพิษเป็นไฟเป็นอันตราย แต่าบางครั้งความประพฤติบกพร่องความคิดลักษณะนิสัยต่างๆของเราที่ไม่เหมาะไม่สมไอ้นี่ตัวนี้ต้องมีการวิเคราะห์มีการตรวจสอบตัวเองนะฮะดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นคือไม่ลงตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองตัวเองผิดก็คือผิดตัวเองถูกก็คือถูกแล้วก็มองอะไรที่เป็นความบกพร่องความไม่เหมาะไม่ควร เป็นความริษยาคนอื่นการอาฆาตพยาบาทด้วยการขาดความบกพร่ความอดทนมีความขี้เกียจรัดวันระการพรุ่งอะไ ร, ะไรต่างๆมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการด้านต่างๆก็พยายามลดละในสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ออกไปและในขณะเดียวกันเนี่ยความดีงามทั้งหลายเนี่ย คือพกกุศลแธรรมทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามนะแต่ถ้าเรามองโดยสรุปเนี่ยเรามองโดยสรุปเราจะเห็นว่าโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเราอาจจะพูดง่ายๆว่ามีทรัพย์กับชีวิตหรือโลกกับชีวิตก็ได้นะคือทำยังไงว่าจะมีระดับสติปัญญาใครครวรพินิจ์พิจารณา ให้มีความสมเหตุสมผลได้สกระดับหนึ่งจนในด้านของชีวิตคนอื่นเนี่ยเรามีความรู้สึกเมตตาไมตรีมุ่งดีปราถนาดีกรบนับถือศักดิ์ศรีไอสถานะสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดทีนี้สำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่นจะเป็นสังหาริมทาารัพยเรืองสังหาริม า, าราัพย์ก็ได้ เราไม่โลภอยากได้เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินตรงนั้นเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้มันจะลดโลภะโทสะโมหะคือในตัวคนนั้นจะไปลดตัวโทส ะ, สะเพราะว่าคนกับคนสัตว์กษัตริย์เนี่ยที่ตัวยุ่งที่สุดคือเบียดเบียนกันเบียดเบียนกันก็ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากโทสะหรือเกิดจากโลภะเนี่ย เ, เป็นเรื่องใหญ่ ควรทำยังไงจะมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคิดยังไงก็ได้นะคิดระดับที่ถือว่าหลักฐานหนักแน่นมั่นคงมาพอก็คือคิดว่าสรรพชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีการพูดไม่มีการกระทำหรือแม้จะถึงความคิดนะฮะที่จะ เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่บุคคลเดิมทีนี้ถ้าเราไม่ตาต่อตัวคนแล้วเนี่ยที่จริงในทรัพย์สินเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายเพราะเราจะไม่ไปล่วงละเมิดเสิทธิในทรัพย์สินของเขาในคู่ครองของเขาเราลองคิดง่ายๆนะแล้วจริงๆธรรมะเหล่านี้ที่จริงเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจําวันเช่นสมมติว่าเพื่อนคนเนี้เรารักเขามาก ถามาเราประทุกสรางชีวิตเขาได้ไหมสร้างบาร์นาเกเขาได้ไหมละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเขาได้ไหมยักยอกทรัพย์สินก็ได้ไหมช่อโค้งทรัพย์สินก็ได้ไหมล่วงเกินคู่ครองก็ได้ไหมโกหกหลอกลวงเขาได้ไหมมันไม่ทำไปโดยธรรมชาติคือใจมันถูกยกขึ้นในจุดที่จะโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาบิบาลไปแล้ว เพรในประทุษจิตคือจิตที่คิดประทุษรายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะธรรมะกลุ่มเนี้ยเวลาบาลีท่านเรียกเนี่ยเรียกว่าภาวนาประทานคือเพียรพยายามที่จะให้กุศลคือความดีเนี่ยบังเกิดขึ้นไปในจิตไปโดยลาดับแล้วข้อต่อไปก็คือพ ร, รักษารักษาคุณธรรมความดีเอาไว้อย่าให้เสื่อม แล้เพิ่มปูนขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายๆคสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีเร่็วแรงที่ดีความรู้ที่ดีกับมังทรัพย์ที่ดีเนี่ยเราก็รักษาไว้มันสามารถจะป้องกันปัญหาขจัดปัญหาแล้วก็เพิ่มปูนคุณค่าประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้บนความเพียนเวลาพูดเวลาส่งแสดงจริงๆนะครับ เกิดทรงใช้คำเหมือนกันวิชั น, ชนดังเนติคือให้บุคคลปลูกฝังความพอใจใบางเกิดขึ้นแล้วก็วายามติคือใช้ความพยายามวิริยังอารัปปติคือประรบริเริ่มกระทำความเพียรในการป้องกันบาปในการละ บ, บาปในการเจริญกุศลในการลาะอกุศลแล้วก็ทําได้ระดับใดก็รักษาจิตอไว้ประคองจิตไว้ทรงนั้น เหตุการณ์ขนาดนี้เราไม่เคยโลภเหตุการณ์ขนาดนี้เราไม่เคยโกรธบุคคลคนนี้เราไม่เคยนาฆาตขยาบาับบ่าเราสามารถอดกลั้นอดทนได้เราสามารถให้อภัยเขาได้<ม>ก็พยายามรักษาคุณภาพติดต่อไ้ความรู้สึกในลักษณะนั้นพยายามประครับประคองไว้แล้วเพิ่มพูนเสริมความแข็งแกร่งขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันก็เป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างน้อยก็มีระดับสินธรรมก็สามารถสร้างสารรค์ให้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ว่าในแง่ของพรหมจรรย์จริงๆเนี่ยเราจะลืมว่ามันมุ่งผลสูงขึ้นไปกว่านั้นเพียงแต่ว่าตั้งให้เป็นพื้นฐานให้ได้ แล้วก็ไม่ได้มองว่าผลทั้งหลายนั้นจะต้อง เ, อเกิดขึ้นโดยการบูงสงอ้อนวอนขอร้องการประสิทธิ์ประสาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าจะต้องใช้ความเพียรพยายามโดยความมุ่งมั่นมีสติสัมปชัญญะรอบคอบเราก็สามารถป้องกันสามารถขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือไม่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนส่วนที่ดีตลอดถึงรักษาส่วนที่ดีเอาไว้ นในสุดจิตใจมันก็จะเพิ่มพูนในด้านความดีเพราะความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ได้เกิดความชั่วที่เกิดแล้วถูกลดลงไปแต่ในส่วนความดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดที่เกิดแล้วได้รับการรักษาไวา้มันก็มีแต่การเพิ่มความดีก็เพิ่มขึ้นความชั่วก็ลดลงชีวิตก็ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความสุขความเจริญอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นพรหมจรรย์ระดับหนึ่งนะ แล้วท่านผู้วางก็นคนงจะนึกออกนะข้อ น, นี้ก็คืออะไรล่ะวนะิริยนาดุขมเ ต, ติคนร่วมทุกไปได้เพราะความเพียรก็แสดงว่าเราเริ่มต้นในสัมมาวายามะเองสามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองให้สงบประนีขึ้นไปผ่านลำดับของศีลสมาธิปัญญาไปจนถึงเกิดความสมบูรณ์ได้แต่ต้องเข้าใจว่าในภาคสนามคือภาคปฏิบัติ คือเขาไม่ได้เกิดเฉพาะสมาปะยามะอย่างเดียวแต่ว่าเป็นไปตามสํานวนที่เราใช้ในปัจจุบันบวบูรณาการคือมันจะเสริมส่งเสริมสนับสนุนกันเองตามธรรมชาติอย่างที่เคยพูดเรื่องอินทรียมาในวันก่อนอินรีย์ก็คือเรื่องของอาริมากเหมือนกันแล้วในความเป็นอราริมักเราสังเกตว่ามันก็มีวิริอินรียอยู่แต่ตนนั้นเราเรียกว่าวิริอินซีก็คือสมาะะมาปยามานั่นเอง การต่อไปเป็นความประนีตขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่เป็นเรื่องของการมองมองมนุษย์นะมองเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่จับตายด้วยกันเนี่ยเดิมจริงเดียวพื้นฐานต้นต้ น, ตนจริงจริงเนี่ยมันต้องเริ่มที่เม็ดอะเริ่มเริ่มที่พรหมิหารคือหมายความมามองสัพชีวิตทั้งหลายจากขั้นหน้าขั้นหนึ่งขั้นสนะี่ก็ตามนะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามก็ด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อคนต่อสัตว์เหล่านั้นจนสามารถขจัดพยาบาทออกไปจากใจความโกรธความยาบาทออกไปจากใจและในขณะเดียวกันก็รู้ท้ายันรู้เท่าทันลักษณะอารมณ์ลักษณะของความคิดเพราะว่าไอ้เมตตาจิตนี่มันดูไม่ค่อยออกนีบางทีมันเป็นการมาราคะมันมีความกำหนัดมีความต้องการในทางเพศ แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันมุ่งให้เขาตอบสนองความต้องการของตนถ้าเขาไม่ตอบสนองจะกโกรธแต่เมตตามันไม่ใช่อย่างนั้นเมตตามุ่งอภิบาลเขาช่วยเหลือกุอูณเขาแล้วก็ทําไปเต็มสติกำลังถ้าทําไปแล้วไม่เกิดผลตามที่ราไม่เกิดผลแก่เขาตามที่เราต้องการเนี่ยก็ทําใจเป็นอุเบกขาต่อเข้าใจในกระบวนการของกรรม ว่าในการขวนขวายออกไปทางกายก็มีทางวาจาก็มีนะแล้วก็โดยเฉพาะจริงๆคือพื้นฐานความคิดแต่ว่าในแนวตรงนี้จะเน้นไปที่ความรู้สึกเพราะให้เข้าถึงจิตมันเกิดเป็นพลังของเมตตาจิตที่ทาหน้าที่ขจัดได้ทั้งพยาบาทได้ขจัดได้ทั้งการมราคาัดและมีความประณีตขึ้นไปจนถึงขจัด ความรู้สึกเตียวเรื่เยหัสิตาเปตมะคือความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวแบบสามีพัน ญ, ญานะเราสังเกตเราสามีพัน ญ, ญาเนี่ยที่จริงมันมุ่งตอบสนองความต้องการของการอะไรกันก็ต้องดูแลใจใสต่อกันไม่ใช่ว่ากะเกในข่ายได้ขวายหนึ่งเอาใจใส่ขวายเดียวแต่ถ้าไม่มีการตอบสนอ ง, องก็จะเกิดโทษสัตย์ เพราะงั้นแนวนี้ที่จริงมันไม่ค่อยเป็นเมตตาเท่าไรหรอกเวลาท่านสอนธรรมะท่านจึงพยายามเน้นย้ำให้ก้าวไปสู่เมะตตาเพราะถ้าหาก็าเมตตาได้เนี่ยอีกความหนึ่งแก่อีก่ายหนึ่งพิการขึ้นมาหรือว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเยียดเบียนไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถเดินเดินได้อะไรเ่อีกความหนึ่งจะเกิดการุณาคือจะสงสารจะไม่ทอดทิ้งจะดูแลใจใส กประคับประคองกันไปจนกว่าฝ่ายหนึ่งจะตายจากไปก็จัดการประเป็นกุศลชาปน ก, กิจศพให้โดยความเรียบร้อยนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกในทางเพศแล้วแต่ความรู้สึกในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาที่จะต้องไม่ทอดทิ้งกันในเมื่ออีฝ่ายหนึ่งประสบยามความวิบัติแต่ถ้าไปเน้นในทางเพศ พูดง่ายๆว่าเน้นในทางเนื้อหนังมังสารนะเพราะอิไฟห น, นึ่งแก่ร่วงโรยลงไปในใจชักถอยแล้วมันก็มีปัญหาเห็นไหมบางครั้งบางคราวในี่เกิดอาการหย่ารางกันเพราะว่าไม่เข้าถึงใจความรู้สึกล่านั้นไปหยุดตัวเองอยู่แค่การมาราคาเมื่อไม่มีการตอบสนองก็เกิดโทสะ จะเกิดเบือ น, น่ายเกิดรำคาญคเกิดนุนงิดซึ่งซึ่งจะเห็นว่าทลกอย่างนี่เป็นอุปสรรคต่อเมตตาทั้งนั้นเลยเมื่อได้ดบัญทอนสมัรระภาพของเมตตาลงทําให้มเมตตาเดินไปไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามองทําได้อย่างนั้นเวลาอีกฝ่ายหนึ่งประสบความทุกข์เนี่ยเราจะเกิดกรุณาคล้ายๆจะปฏิบัติง่ายนะแต่เอาก็จริงแล้วก็ทำํำยากเพราะว่าสัตว์โลกทั่วไปเวลา ควายหนึ่งประสบความเดือดร้อนเนี่ยมักจะเกิดวิหิงสาคือซ้ําเติมถ้าหากว่าเราไม่มีพื้นฐานจิตที่ประกอบไปเมตตามาก่อนเนี่ยมันจะมีการซ้ําเติมคือวิหิงสาหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นโศกคือความโศกไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเมตตาจริงเนี่ยแล้วจะเกิดกรุณา คือต้องการช่วยเหลือเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ในกรณีที่เขาประสบความทุกข์ประสบภัยประสบโรคประสบปัญหาก็พยายามช่วยทีนี้ถ้าช่วยได้เนี่ยประสบความสมเอตเขาหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็เกิดมุติตาแต่ถ้าช่วยแล้วก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้เนี่ยเราก็ใช้อุเบขาคือใจก็จะอยู่ที่อเบขาทีนี้มุติตาเนี่ยถ้าไม่เริ่มที่เมตตาเนี่ยก็เดินไม่ได้หรอก เพราะอะเพราะมันมีค่าสึกกด้ชิดอยู่คือริษยาเวลาเห็นใครมีความเจริญก้าวหน้าเราเห็นชัดเจนนะว่าคนส่วนหนึ่งจะรู้สึกริษยาเหมือนเหมือนกับตอนข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่มีการเลือกตั้งผู้แทนอนะารมณ์เลือกตั้งเนี่เราเห็นชัดเจนมากเลยเพราะมนุษย์จะแสดงออกมาซึ่งวิหิงสาคือเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทแล้วก็ริษยา แล้วก็อคติซึ่งหมายความว่าปรมิหารทั้งสีที่ไม่มีอยู่ภายในใจเลยแต่มันอยู่ขวายตรงกันข้ามกับปรมิหารคือแทนที่จะเมตตา ก, กันเนี่ยมันเกิดพยาบาทกันแทนที่จะกรุณามันเกิดเป็นวิหิงสาคือเบียดเบียนแทนที่จะเกิดมุติตามจะเกิดริษยาแทนที่จะเกิดอุเบกขาจะเกิดอคติ คือลาเอียงเล่นพักเล่นพวกต่อสู้กันแต่บางครั้งบางคราวก็รุนแรงนะเราเราสังเกตดูว่าข่าวคร า, าวต่างๆเนี่ยมันมีความบุมแรงขึ้นไปโดยลาดับอาตมาพูดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนเข้าพรรษานะผู้ที่จังหวัดปัตตานีบอกคอยดูนะเลือกตั้งไปเนี่ยตายกันไม่น้อยกว่าห้าสิบศพอันนี้ก็รู้สึกจะครบไปแล้วนะครไปนาน นี่คือปัญหาที่ทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันโดยไม่ไม่ปกติสุขเพราะลักษณะของความคิดตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยระโกนที่เราเมตตาหลุดพ้นจากความทุกข์หรือประสบความเจริญก้าวหน้าไรลาบไระยศไรสันเสริญเรจะเกิดมุทิตามุทิตาโดยไม่ต้องการว่าเราจะได้อะไรเพราะมุทิตาบางอย่างเนี่ยมันไม่สุจริต อไปแสดงความยินดีการเวลานี้ที่จริงค่อนข้างค่อนข้างไม่คยสุจริตไปงานแต่งงานเด็กๆก็ต้องการกินเลี้ยงต้องการมีของชําร่วยแม้แต่ไปวัดทำบุญที่วัดเนว่าต้องมีของแจกมีเครื่เครื่องมีอะไรต่ออะไรมาแจากคือมันมีความหวังลึกๆอยู่ภายในใจและก็หวังได้ในเชิงที่เป็นรู ป, ปรวตถุ เขาได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็ไปคือขอให้เขากินเลี้ยงอ่ะขอให้เขาเลี้ยงแล้วก็มันน่าจะมีของขวัญบ้างอะไรอะไรเนี่ยคาดหวังอย่างงั้นทีนี้ถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นว่ารู้สึกผิดหวงังรู้สึกไม่พอใจจนบางครั้งบางคราวก็ออกมาในรูปของความโกรธไปเลยก็มีนั่นก็แสดงว่าธรรมะคือมุติตาเนี่ยจะปฏิบัติยากถ้าหากว่าเมตตาไม่หนักแน่นมั่นคงจริงๆ เพราะว่าบางครั้งบางคราวในหมู่เพื่อนฝูงกันพี่น้องกันเนี่ยอย่างริษยากันเลยนับภาษาอะไรกับชาวบ้านเพราไม่ตาจึงต้องมีพลังมากๆแล้วก็คิดแผลไปด้วยแต่จะถึงจุดหนึ่งก็คือเมื่อคนเขาเป็นไปตามกรรมของเขาจะเป็นกุศลเรื่องกุศลก็ตามนะเช่นเขาประสบความเจริญมั่นคงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรครับก็สบายไปแล้วหรือว่าคนที่ประสบผลกรรม เรพื้นผิดกฎหมายบ้านเมืองมันนอกวิสัยที่ช่วยเหลืออะไรได้แล้วก็วางใจด้วยอุเบกขาคือไม่ให้ลำเอียงไปด้วยความรักความช่างความกลัวความเข่าอะไรต่างๆแล้วก็ตั้งจิตแผ่ไปจนมองเห็นสปปรรพสัตว์ทั้งหลายนะโดยไม่มีประมาณแต่ว่าแน่นอนในภาสนามเนี่ยที่จริงมันมันค่อนข้างทำยาก จะทํายังไงว่าในแวดวงใกล้ตัวก็พยายามขยายเมตตาออกไปได้โดยกำลังอย่างน้อยก็สร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรก็ตามกําลังที่จะทําได้ทั้องฟังทั้งหลายแต่รมประพฤติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไปบุญในธรรม ดูมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี